วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบุบอยสัตว์ผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำพาชีวิตของเราให้ได้ไปสู่ที่สุขที่เจริญธรรมะที่เราจะฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขสองรูปแบบด้วยกันความสุขในโลกนี้เรามีอยู่สองรูปแบบ ความสุขชนิดแรกคือความสุขทางโลกและชนิดที่สองคือความสุขทางธรรมความสุขสองแบบนี้มีคุณลักษณะแตกต่างกันให้ผลที่แตกต่างกันความสุขทางโลกนี้คือความสุขที่ได้จากโลกธรรม คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สี่ประการด้วยกันได้แก่หนึ่งลาบสองยศสามสรรเสริญและสี่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆเรียกว่าโลกธรรมลาบยศสรรเสริญสุขความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ คุกเข้าไปด้วยความทุกข์ด้วยความวิตกด้วยความกังวลด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าเป็นความสุขที่ไม่เทียงแท้แน่นอนเป็นความสุขที่ควบคุมบังคับไม่ได้เสมอไปบางเวลาก็ได้บางเวลาก็เสียไป เวลาที่เกิดคามสูงเสียก็เกิดความเศร้าใจเสียใจเกิดความทุกข์ใจตามความสุขที่ได้เป็นความสุขแบบชั่อกาวแล้วก็เป็นความสุขที่ไปกระตุ้นความโลภความอยากให้เกิดขึ้นซึ่งการมีความโลภความอยากก็จะเกิดความ ทุกใจขึ้นมาได้อะไรมาแล้วก็จะรู้สึกไม่พอไม่อิ่มไม่พออยากจะได้เพิ่มอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆนังคำโบราณที่มีพูดไว้ว่าเวลาได้คืบก็อยากจะได้สอเวลาได้สอก็อยากจะได้หว่วได้อะไรมาแล้วเช่นได้ยศตำแหน่ง ตอนต้นก็อาจจะได้เป็นถ้าเป็นนายารก็ได้เป็นนายสิบจากนายสิบก็อยากจะเป็นนายร้อ ย, อยาจากนายร้อยก็อยากจะเป็นนายพันจากนายพันก็อยากจะเป็นนายพลอยากไปเรื่อยๆอยากถ้าไม่อยากได้เท่าไหร่ได้สูงขนาดไหนไก็ไม่มีความอิ่มความพอ ถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความพอมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีเราให้ได้มาเท่าไหร่ก็ได้แต่ความสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆดีใจเดียวเดียวแล้วพอหลังจากนั้นก็มองไปข้างหน้าต่อไปพอได้ในสิบแล้วที่ก็มองไปที่ยศระดับในร้อยพอได้ในร้อยก็อยากจะได้ในพัน แล้วถ้าเวลาใดที่ไม่ได้ก็เกิดความเสียใจแล้วก็ในที่สุดเมื่ออายุครบที่จะต้องออกจากราชการก็ต้องสูญเสียยศที่ได้มาไปหมดก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจตามมาเช่นเดียวกับราบก็คือเงิน ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพออยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าเวลาอยากได้แล้วไม่ได้ก็เกิดความเสียใจหรือถ้าได้มาแล้วถ้าเกิดการสูญเสียไปหมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้คือความความสุขทางโลกลาบยศ สารเสวนก็อยากจะให้ได้คนยกย่องสารเสรวนด้วยการใมอบรางวัลชนิดต่างๆให้ถ้าเป็นนักกีฬาก็มีเหรียญทองไว้ให้ถ้าเป็นดาราภาพยนตร์ก็มีตุกกตต๊กตาตุ๊กตาทองแจกให้หรือไมาเช่นนั้นถ้าเป็นนักวิชาการก็มีรางวัลต่างๆรางวัลโนเบลรางวัล ที่ยกย่องสารเสริความรู้ความสามารถได้รางวัลมาแล้วก็ดีใจเดี๋ยวเดียวเช่นเดียวกันแล้วก็อยากจะได้อีกบางคนได้ต้องหลายได้ตุ๊กตาทองหลายตัวก็ยังไม่พออยากจะได้ไปเรื่อยๆพอเวลาไม่ได้ก็รู้สึกเสียใจส่วนความสุขที่ได้จากการเสพ รูปเสียงกลิ่นรสพลภัก็เช่นเดียวกันเวลาได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ดูได้ฟังอะไรที่เราลักเราชอบก็เกิดความสุขใจพอหลังจากที่ไม่ได้ไปเสพความสุขนั้นก็จางหายไปแล้วก็ไปกระตุ้นความอยากความโลภอยากจะไปเสพใหม่ อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโหดตะพะอยากจะไปดูอยากจะไปฟังอยากจะไปดื่มอยากจะไปรับประทาน <c oughs> อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปมาท่าหร่มากน้อยเพียงายกี่ร้อยครั้งมันก็กลับมาอยู่จุดเดิมหลังจากที่ไปแล้วกลับมาก็เหมือนไม่ได้ไปเพราะกลับมาแล้วก็เกิดความอยากไปอีก คือไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอกับความสุขของโลกธรรมเพราะความสุขของโลกธรรมนี้ไม่ให้ความอิ่มความพอไม่ได้รับไม่ระงับความโลภความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปแต่กลับไปกระตุ้นความโลภความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆและเมื่อเวลาที่เกิดความโลภเกิดความอยากแล้วไม่สามารถที่จะ ทำตามความโลภตามความอยากได้ก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความรู้สึกงดเย็ดน้ำคานใจเกิดความรู้สึกเสียใจเกิดความรู้สึกซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่แหละคือความสุขทางโลกที่คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟังทำคาสอนของคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมุ่งไปที่การหาความสุขทางโลกโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นการไปหาความทุกข์เสียมากกว่าเพราะว่าความสุขทางโลกนี้ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบด็ดดีๆนี่เหยื่อก็เป็นอาหารที่ติดอยู่ที่ปลายเบ็ดที่สามารถที่จะ เกี่ยวคอของปลาที่ไปฮุบเหยื่อนั้นได้ปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอไปฮุบเหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเกี่ยวคอถูกลากขึ้นจากน้ําจากแม่น้ําลงไปสู่หม้อแกงตามลําดับต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันความสุขทางโลกก็จะเป็นอย่างนั้น เป็นของที่ล่อใจของของผู้ที่ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์ที่ไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขอัมพางอัมพางความทุกข์ไว้เป็นความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าใครไปเสพไปติดกับนาบยศสารเสริญกับรูปเสียงจิตแล้วก็จะต้องถูก ราบยศสารเสวนีเ้เกี่ยวคอเอาไว้เกี่ยวใจเอาไว้ทําให้ใจนี้ติดอยู่กับการหาราบยศสารเสริญสุขไปเรื่อยในอาการหาราบยศสารเสริญสูงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดลงหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแนละ้วร่างกายตายไปแต่ใจผู้ที่เสบนี้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจที่โลกที่อยากที่ยาเสพกับโลกธรรมนี้ก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่สาเหตุที่ใจนี้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนับไม่ถ้วนก็เพราะสาเหตุที่เกิดจากการไปหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสนี้เองหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะทะชนิดต่างๆ ยังทำให้ดวงวิญญาณที่แยกออกจากร่างกายตอนที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ก็จะต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนจนกว่ า, าได้ได้ชําระบุญหรือบาปที่ได้ทําไปแล้วถึงจะได้มารอ รับร่างกายอันใหม่แล้วพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ใช้ร่างกายอนใหม่นี้มาหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่แล้วก็จะต้องมาทุกข์มาหลั่งน้ําตาเวลาที่เกิดความผิดหวังเกิดความาไม่สมหวังเกิดความสูญเสียเกิดความเศร้าโศกเสียใจต่างๆขึ้นมา ก็ต้องร้องห่มร้องไห้กันไปเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเอาความทุกข์ของแต่ละพบแต่ละชาติที่มาเกิดนี้มามารวมกันพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าน้ำตาที่พวกเราได้มาเล่าหลังกันมาเวลาที่เราเจอความทุกข์ต่างๆในขณะที่เรามาเกิดกันนี้ ถ้าเราเอามารวบรวมกันแล้วของแต่ละภพแต่ละชาติน้ำตาที่เราหลังนี้มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสอีกเพราะว่ามัน ป, ปริมาณของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายของการกลับมาหาความทุกข์จากลาบยศสารสนสุขนี่มันมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่สามารถที่จะนับได้ต้อง ใช้การประมาณเอาด้วยการาเอาน้ำตาที่ต้องหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้มารวมกันก็จะได้น้ำตานี้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละก็คือวิถีชีวิตของผู้ที่แสวงหาความสุขจากโลกธรรมจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เรื่อยๆ เพื่อมาหาความสุขจากราบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆและในช่วงที่หาความสุขก็อาจจะต้องมีการกระทําที่เป็นบาปก็ได้ถ้าไม่สามารถที่จะหาราบยศสารเสริญสุขได้โดยวิธีไม่ทําบาปเช่นถ้าหาเงินไม่หาเงินด้วยจากการทํางานไม่พอใช้ก็อาจจะคิดหาเงินด้วยวิธีช่อโกง หลอกรวงวิธีการต่างๆอันนี้ก็เป็นการทำบาปแล้วถ้าทำบาปแล้วมันก็มีโทษติดติดไปกับจิตใจติดไปกับดวงวิญญาณในทางตรงกันข้ามสำหรับคนบางคนเวลาหาราบยศถะเสริญสุข ม, มาก็อาจจะหามาได้มากเพราะมีความสามารถมาก แล้วมีหรือมีโอกาสที่จะได้มากก็คิดแบ่งปันนำเอาไปแจกจ่ายให้ผู้แบ่งให้กับญาติสนิทมิตรสหายอย่างแบ่งให้กับผู้ที่ทุกข์ยากเหิดร้อนอันนี้ก็จะได้มีโอกาสทำบุญในขณะที่มาเกิดเพื่อมาแสวงหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขนี่จากรูปเสียงกลิ่นรสนี่ก็จะต้องมีการ ทำอย่างใดอย่างหนึง่งบางครั้งก็อาจจะต้องทำบาปบางครั้งก็ได้ทำบุญแลนะบาปที่บุญได้สะสมไว้นี่แนหะที่จะส่งดวงวิญญาณให้ไปเกิดในภพต่างๆก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษยนะ์ถ้าเป็นอ น, นิสงส์ผลบุญก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้า ในอนิสงค์ของบาปก็จะไปเกิดเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นน ส, สูลกายไ ป, ไปตกนรกพอใช้บาปใช้บุญใช้บาปหมดแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพื่อมาหาความสุขจากโลกประธรรมใหม่แล้วก็มาทําบุญทำบาปในช่วงที่ต้องดิ้นหลนหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ นี่แหละคือวิถีชีวิตของผู้ที่หาความสุขจากโลกกระทำจะต้องติดอยู่ในกงจักในวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏจะต้องไปเกิดในภพภูมิต่างๆตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้กระทาไว้อันนี้คือเรื่องของความสุขทางโลก สำหรับผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเช่นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนา<อ>ก็จะไม่มีใครรู้วิธีหาความสุขทางธรรมแต่รู้จักแต่วิธีหาความสุขทางโลก ก็จะต้องหาความสุขทางโลกไปแล้วก็ติดกับติดอยู่ในกับดักของความสุขทางโลกที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพบใดชาติใดได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้มีโอกาสได้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสุขทางธรรมว่าเป็นความสุขที่จะ กำจัดความทุกข์กำจัดความเศร้าโศกเสียใจกำจัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปอย่างราบคามไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาหลั่งน้ําตากันอยู่เรื่อยๆอย่างที่เรากําลังเป็นกันอยู่ในขณะนี้นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา คือความสุขทางธรรมที่พระเจ้าทรงนำอามาเผยแผ่สั่งสอนถ้าอยากที่จะมีความสุขก็มาหาความสุขทางธรรมเพราะความสุขทางธรรมนี้ปลอดจากความทุกข์ไม่ไม่เป็นเบ็ดไม่เป็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเป็นเหยื่อที่ไม่มีไม่มีเบ็ดเหมือนเวลาที่ญาติโยมคนใจบุญไปโปรอาหารให้ปลาในสระน้าเนี่ย เ ป, เป็นอาหารล้วนๆไม่มีไม่มีเบ็ดเกี่ยวติดอยู่กับอาหารปลาสามารถที่จะกินอาหารเหล่านั้นได้อย่างสบายอย่าไม่มีการที่จะถูกจับขึ้นมาจากจากในแม่น้ำเพื่อที่จะถูกเอ า, เอาไปต้มกินกันความสุขทางธรรมเป็นอย่างนี้ความสุขทางธรรมนี้เป็นความสุขที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆ เพราะว่าเป็นความสุขที่ไประงับความหิวความอยากนั่นเองไปลดไปลดละความโลภความอยากต่างๆให้มีน้อยลงไปเมื่อความโลภความอยากมีน้อยลงไปในใจความสงบของใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีความสงบเพิ่มมากขึ้นก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแต่จะไม่มีความทุกข์เพราะว่า เมื่อเราสามารถที่จะทำได้แล้วเราสามารถรักษาความสุขเหล่านี้ไม่ได้ความสุขที่เกิดจากทางธรรมนี้ทำแล้วเรารักษาได้ป้องกันไม่ให้เสื่อมได้ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกนี้บางทีเราป้องกันไม่ได้ป้องกันแม้มันเสื่อมไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องสูญเสียมันหมด เมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความสุขทางโลกที่หามาได้มากน้อยเพียงลายนี้ก็จะสูญหายไปหมดเลยแต่ความสุขทางธรรมนี้ใจสามารถรักษาเอาไว้ได้สามารถทำให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับได้จนถึงขั้นที่จะทำให้ถึงความอิ่มความพอเต็มที่ เมื่อถึงความอิ่มตามความพอก็คือเมื่อได้ระ ง, งับความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้แล้วใจดวงนั้นก็จะไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจแต่ละดวงนี้มาเวียนว่ายตายเกิดกันก็เพราะความโลภความอยากนั่นเองความโลภความอยากที่จะหาความสุข ทางทางโลกก็ทำแต่เมื่อเรามาหาความสุขทางทางธรรมแทนทางโลกเราก็จะลดละความอยากหาความสุขทางโลกลงไปตามลาดับแล้วก็เพิ่มความความสุขทางธรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเมื่อเราทำได้ถึงขั้นสูงสุดแล้วเราก็จะ ได้พบกับความอิ่มความพอเต็มร้อยเพราะใจได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเมื่อไม่มีความโลภความอยากหลงเหนืออยู่ในใจแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่แหละคือความสุขทางโลกเป็นความสุขที่นำไปสู่สันติสุขไปสู่ความสงบ ไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุได้ทรงค้นพบแล้วได้ทรงปฏิบัติได้พิสูจน์ด้วยพระองค์เองแล้วว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่ยั่งยืนที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อทำได้ถึงระดับขั้นสูงสุดงร์ได้ทำแล้วเราจึงนำามามาเผยแผ่สั่งสอนความสุขทางธรรมนี้เราเรียกว่าบุญนี่บุญนี้มีอยู่สิบลักษณะด้วยกันที่ภาษาพระท่านเรียกว่าบุญยะกิรียววัตถุสิบประการมีตั้งแต่ข้อที่หนึ่งก็คือ การทำทานทานแปลว่าการให้การให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วจะทําให้เกิดความสุขในใจของเราขึ้นมาคือทําการกระทําที่ทําให้ผู้อื่นได้รับความสุขทานนี้คือการให้ข้าวของเงินทองให้สิ่งของต่างๆให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราไม่เดือดร้อนสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ เก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมันตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ให้เอามาสร้างความสุขทางธรรมดีกว่าด้วยการให้ให้ทานความจริงการให้นี้ก็มีการให้ได้หลายอย่างด้วยกันเท่าที่ได้ศึกษามาก็มีอยู่สี่อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการให้วัตถุข้าวของเงินทอง เรียกว่าวัตถุทาน mm hmm. การให้ชนิดที่สองก็คือการให้วิชาความรู้ mm hmm. เรียกว่าวิทยาทาน mm hmm. การให้วิชาความรู้ก็คือเรามีความรู้อะไรแล้วเราไปสอนผู้ที่เขาอยากจะเรียนรู้โดยที่ไม่คิดเงินทองไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่น mm hmm. ถ้าเรามีความรู้ทางการศึกษาแล้วมีเด็กอยากจะมาเรียนพิเศษ เรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์<ม>เพิ่มเติมความรู้<ม>ถ้าเรามีเวลาว่างเรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์เราก็เอาไปสอนเด็ก<ม>โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าเล่าเรียนอันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานหรืออกในหนึ่งถ้าเราให้ทุนการศึกษากับเด็กยากจนอันนี้ก็เหมือนกับการให้วิทยาทานเหมือนกัน ถึงแม้จะว่าเป็นเงินทองแารเงินทองนี้เอาไว้ไปใช้ใช้ใจ่ายสําหรับวิชาความรู้ต่างๆก็เรียกว่าวิทยาทานชนิดที่สของการให้ก็คือการให้ธรรมะการให้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้อ่านหนังสือธรรมะที่เราอ่านแล้วเราได้รับประโยชน์ ได้คุณประโยชน์ได้ทำให้ใจเรามีความสุขทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เราสามารถนำม า, มาบำบัดความทุกข์ใจความวุ่นวายต่างๆของใจให้เบาบางลงได้เราเห็นว่ามีคุณค่ามีคุณประโยชน์เราก็พิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้นี่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมทาน ทานอชนิดที่สี่นี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทานหรือเปล่าแต่เนื่องจากว่ามีคําพูดว่าทานอยู่ก็คืออภัยทานอภัยทานนี้เราให้อะไรเราก็ให้อภัยคือเราไม่จองเวรจองกรรมไม่อาฆาตพยาบาทใครทําให้เราทุกข์ใจเดือดร้อนใจทําให้เราเกิดความเสียหายแทนที่เราจะไปเอาเรื่องเอาราวกับเขาเราก็ให้อภัยเขาไป ไม่เอาเรื่องเอาราวกันยุติธรรมเรียกว่าเป็นการยุติธรรมนี่ก็เรียกว่าเป็นทานอย่างหนึ่งทานการให้มีอยู่สี่ชนิดด้วยการให้ให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้ความรู้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานให้ธรรมะให้หนังสือธรรมะ ก็เรียกว่าธรรมทานแล้วก็ให้อภัยไม่โกดแทงนกดเพืองไม่จองเวรจองกรรมก็เรียกว่าอภัยทานในบรรดาทานทั้งสี่ชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ธรรมทานนี้ชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมานี้เป็นของที่ดีที่สุดวิเศษที่สุด เพราะว่าธรรมะนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์มากที่สุดเช่นถ้าเราให้ทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเราก็ไปช่วยเอาใช้เงินทองนี้ไปบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายได้อยู่ถ้าเราให้วิทยาทานเราก็ให้เขาให้ผู้รับได้มีความรู้ที่จะนํามาไปใช้ในการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็บรรเทาความทุกข์ทางร่างกาย แต่ไม่สามารถไปบรรเทาความทุกข์ทางใจได้แต่ถ้าให้ธรรมทานี้ธรรมะนี้จะไปบรรทุกบรรเทาความทุกข์ทางใจให้เบาบางลงให้น้อยลงและให้หมดไปได้ซึ่งไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะบรรเทาความทุกข์นึกดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้นอกจากธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียว พระพุทธเจ้าถึงทรงตรัสว่าการให้อะไรที่ดีที่สุดที่มีคุณประโยชน์กับผู้รับมากที่สุดก็คือการให้ธรรมทานแต่การให้ธรรมทานนี้เราก็ต้องเราก็ต้องมีสติปัญญาต้องรู้ว่าผู้ที่รับนี้เขายินดีที่จะรับหรือไม่ถ้าให้ในสิ่งที่เขาไม่ยินดีหรือสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้ไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์ เช่นให้ให้หนังสือธรรมะกับคนที่อดอาหารอ ด, อดอยากขาดแคลนนี่ตอนนั้นเขายังไม่ต้องการธรรมะตอนนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือทางข้าวของเงินทองเราก็ต้องดูสถานภาพของผู้รับด้วยว่าเขาควรจะรับอะไรไม่ใช่คิดว่าธรรมะนี่ดีที่สุดใครๆก็แจกแต่เจอใครก็แจกแต่ธรรมะอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้คํานึงถึงความต้องการหรือความที่ความเดือดร้อนของเขาว่าเขาเดือดร้อนด้วยอะไรต้องการอะไรแต่ถ้าถ้าคิดว่าเขาต้องการธรรมะแล้วเอาธรรมะนี้ไปศึกษาไปปฏิบัติเราสามารถช่วยทําให้จิตใจเขาดีขึ้นหายจากความทุกได้หายจากความเศร้าโศกเสีย ใ, ใจได้ก็ให้ธรรมะไปเป็นสิ่งที่ดีที่สุด น, นี่คือการทําบุญ การสร้างความสุขทางใจที่จะทำให้ใจนี้ละ ง, งับความโลภความอยากต่างๆในเรื่องของเท่าของเงินทองต่างๆได้ทำให้ใจมีความรู้สึกอิ่มรู้สึกพอไม่วุ่นวายกับการที่จะต้องไปคอยหาเงินหาทองมามากมายกายกองอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราสามารถทำได้ถ้ า, าอยากจะมีความสุขใจ ส่วนถ้าเราอยากจะให้ช่วยเหลือคนที่ตายไปแล้วคือดวงวิญญาณนี้เราก็สามารถอุทิศบุญที่เราได้จากการทําทานนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้เช่นเวลาเราทําบุญเสร็จเราก็มักจะกรวดน้ำอุทิศบุญกันคือเราทําบุญเวลาเราทําบุญทําทานแล้วเราได้ความสุขใจ พอเราได้ความสุขใจแล้วเราก็สามารถแบ่งความสุขใจนี้ให้กับดวงวิญญาณที่ร่วงลับไปได้เพราะดวงวิญญาณนี้เขารับข้าวของเงินทองไม่ได้รับวัตถุทานไม่ได้รับวิทยาทานไม่ได้รับธรรมทานไม่ได้สิ่งที่เ็าจะรับได้ก็คือบุญคือความสุขใจที่ได้ที่เราได้ทำจากการทำบุญทำทานนี้เราก็สามารถอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปได้ เวลาที ien, ่เราได้อุท like <ti> ิศบุญให้แก่ผู้ที่ร่วมรับโดยเฉพาะบุคคลที่เราลักเราเคารพก็จะทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็คือวิธีการสร้างความสุขใจระดับข้อที่สองก็คือการอุทิศบุญการสร้างความสุขใจข้อที่สาก็คือการอนุโมทนาบุญเวลาที่มีผู้อื่นเขาทำบุญเราก็แสดงความยินดีชื่นชมยินดี สนับสนุนเขาเช่นถ้าเขาเป็นลูกจ้างเราแล้วเขาขอลาไปบวชอย่างนี้ถึงแม้ว่าเราจะเสียคนไปคนคนทำงานไปคนหนึ่งแต่เราก็ยินดีเสียสละส่วนนี้ไปให้กับเขาไม่กีดขวางไม่ห้ามเขาเราก็ได้บุญจากตรงนี้ได้ความสุขใจที่เรามีส่วนร่วมในการทำบุญของเขา คงเคยได้ยินข่าวบางทีมีพนักงานทำงานแล้วมีแม่หรือพ่อเสียชีวิตไปต้องลาไปทำบุญงานศพกับพ่อแม่แต่ทางเจ้าของบริษัทไม่ให้ไปถ้าไปก็ต้องลาออกนี่อย่างนี้เรียกว่าไม่อนุโมทนาบุญการอนุโมทนาบุญนี้ต้องเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือ ให้เขาได้ทาบุญตามที่เขาปรารถนาอย่าไปกัดอย่าไปกีดขวางการทาบุญของผู้อื่นเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขใจเวลาเราได้สนับสนุนได้ช่วยเหลือการทาบุญของผู้อื่นการทำความดีของผู้อื่นแล้วมันจะทำให้เราเกิดความรู้สึกสุ ข, สขใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้ก็คือวิธีสร้างความสุขแบบที่สามความสุขทางใจทางความสุขทางธรรมก็คือ ร่วมอนุโมทนาบุญหรือในช่วงที่ผ่านมานี้มีการทอดกรถินตามวัดต่างๆแล้วก็อาจจะมีคนแจกซองให้กับเรามาเราก็ร่วมอนุโมทนาไปกับเขาได้ด้วยการร่วมทําบุญไปกับเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการอนุโมทนาบุญก็ยินดีสนับสนุนให้เขาสามารถทําบุญให้ได้สําเร็จตามเป้าหมายของเขา เรามีส่วนร่วมด้วยมีการส่วนช่วยเหลือเขาด้วยแล้วเราก็จะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาเพราะบางทีเราเองอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปทําบุญของเราเองเพราะเราอาจจะติดภารกิจติโทระอะไรบางอย่างไม่สะดวกที่จะไปทําบุญด้วยตัวเองถ้ามีใครเอาซองกระถินมาแจกซองข้าป่ามาแจกเราก็ร่วมมนุโมทนาบุญไป เราก็จะได้ความสุขใจได้ทำบุญโดยที่เราไม่ต้องไปทำเองนี่คือการสร้างความสุขใจข้อที่สามคือการอนุโมทนาบุญการสร้างความสุขใจข้อที่สี่ก็คือการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ช่วยเหลือสังคมเช่นไปเป็นอาสาสมัครทำงานกับมูลนิธิต่างๆ เวลาที่เขามีงานต้องการคนมาช่วยเหลือทำงานเช่นไปทำงานกับพวกมูลนิธิเวลาที่เขาเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนต้องการคนไปช่วยขนข้าวขนของไปแจกกัน<ม>ก็ไปเป็นอาสาสมัคร<ม>ถ้าเรามีเวลาว่างถ้าเราอยากจะมีความสุขใจจากการทำทำคุณงามความดีมเราก็ไปรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้ อันนี้ก็เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้ทําไปแล้วมันก็จะทําให้เราเกิดความรู้สึกสุขใจออ่มใจขึ้นมาตราบึ้มโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินทองบางทีเราอาจจะไม่มีเงินทองที่จะไปทําบุญทําทานไม่มีข้าวของเงินทองแต่เรามีเวลาว่างพอมีเหตุที่ไหนต้องการอาสาสมัครต้องการจิตอาสา เราก็ไปอาสาสมัครกันไปทําคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมให้แก่ผู้เรียกว่าไปรับใช้สังคมรับใช้ผู้อันนี้ก็เป็นบุญที่จะทําทให้เราเกิดความสุขใจอิ่นใจขึ้น<ม>บุญข้อที่ห้าที่จะทําให้ใจเรามีความสุข<ม>ก็คือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนทําตัวเราให้ต่ําอย่าทําตัวเราให้สูง พยายามทำตัวเราเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่ถือเนื้อถือตัวให้ความเคารพกับผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กับเราอันนี้เวลาเราได้ทำแล้วจะทำให้เราเกิดรู้ความรู้สึกอิ่มใจสุขใจคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้จะเป็นคนที่ใครๆก็ยินดีต้อนรับยินดีที่จะคบข้าสมาคมด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใคร เป็นคนที่เป็นคนที่ไม่สแสดงความโอ้อดความเก้าวร้าวไม่สแสดงความโอ้อวดอวดตนอวดความรู้อวดความสามารถอวดความนั่มรวยอะไรต่างๆแะทําทัดทตัวเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนพออยู่กับใครก็ไม่มีใครให้เขารู้ไม่ได้พยายาให้พูดเขารู้สึกว่าเขาเขาต่ําต้อยเขาด้อยค่าอย่างถ้าเราทําตัวเราเป็นผู้เออ ทำตัวเราเป็นตัวใหญ่ตัวโตวนี่ไปอยู่กับใครกาไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยเพราะไม่มีใครอยากจะถูกด้อยค่า <S <S อยากจะอยากจะเป็นคนต่ำต้อยนั้ น, น่ <S <S องการที่เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี้มันจะทำให้เรามีความสุขใจเพราะเราสามารถคบค้าสมาคมกับใครก็ได้<อ>แล้วก็มีคนที่เขาจะยินดีคบค้าสมาคมกับเราด้วยม<อ>ีกบุญข้อที่ห้าคือการ ทำตนให้เป็นผู้อ่อนน้มถ่อมตนบุญข้อที่หกคือบุญที่เกิดจากการได้มาฟังเทศฟังธรรมการฟังเทศฟังธรรมนี้จะทำให้เราได้รู้จักเรื่องของความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมให้เรารู้จักเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณของเราและให้รู้จักวิ ของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดว่าจะต้องทำอย่างไร mm hmm. จะต้องทำบุญชนิดไหนบ้างถึงจะาสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ mm hmm. ก็จะได้เรียนรู้ว่าการที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ต้องมีการทำทาน mm hmm. มีการรักษาศีลแล้วก็มีการภาวนา mm hmm. มีบุญอี ก, อกมีบุญสามข้อใหญ่ๆ บุญข้อที่หนึ่งก็คือการทำทานเช่นเรามีข้าวของเงินทองอะไรที่เราไม่เหลือเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปทำบุญทำทานแล้วก็ให้รักษาศีลการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างรักษาศีลแล้วจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจนันเองเวลาเราทำบาปแล้วใจเราจะมีความรู้สึกไม่สบายรู้สึก ทุกข์ใจไม่สบายใจรู้สึกมีความวาดวิตกหวาดกลัวต่อบาปที่เราได้ทําไว้ hmm. กลัวทั้งผลของบาปที่จะเกิดขึ้นทางขณะที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. เช่นถ้าไปทําผิดกฎหมาย mm hmm. ก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาตามจับไปเข้าคุกเข้าตาราง mm hmm. ก็จะอยู่อย่างไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทำผิดกฎหมาย mm hmm. ใจของเราก็จะอยู่อย่างสบอย่างสบายไม่เดือดร้อนไม่มีความทุกข์กัไม่มีความหวาดกลัวไม่มีความกังวลต่อวิบากกรรมที่เราไม่ได้ทำนั่นเองอันนี้ก็คือการรักษาศีลศีลก็มีระดับแรกแล้วระดับระดับตายระดับแรกก็คือรักษาศีลห้าไม่ทาบาปห้าข้อ ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เดือดชรายาเมา <Okay. S 1> ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ <Okay. S 1> ใจของเราก็จะพ้นจากการไปเกิดนายบาย <Okay. S 1> เวลาตายไปจะไม่มีบาปดึงใจเราให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตเป็นปนสุนตกยหรือไปนรก <Okay. S 1> เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย <Okay. S 1> ไม่ต้องไปใช้บาบ <Okay. S 1> แต่ถ้าเราได้ทําบุญด้วยได้ทําทานด้วย ใจเราก็จะไปรับผลบุญในสวรรค์ก่อนไปเป็นเทวดาก่อนแล้วหลังจากที่รับผลบุญเสร็จแล้วค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรออันนี้ก็คือการทำความสุขในระดับศีลกับทานการทำให้จิตใจเรานี้อยู่ในเวียนว่ายตายเกิดในในระดับของสุกติไม่ไปเกิดในทุ ก, กติไม่ไปเกิดในภพของอบายทั้งสี่ แล้วถ้าเราอยากที่จะให้มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลห้าเราก็ต้องมาเพิ่มการทำบุญด้วยการภาวนานนการภาวนานี้ถือว่าเป็นการทำบุญที่สูงสุดแต่ก็เป็นการทำบุญที่ยากที่สุดเพราะต้องใช้เวลาให้กับการภาวนาและก็ต้องมีการลดละ การแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกมืงกายลงไปก็คือต้องมารักษาสินแปดต้องมีศินแปดถึงจะสามารถมีเวลาไปภาวนาได้ถ้ายังไม่ได้รักษาศินแปดรักษาเพียงศินห้านี้ก็ยังไม่มีข้อห้ามที่ไม่ให้ไปหาความสุขอยากการเสพรูรปเสียงกลิ่นรสผลทพะเช่นยัง ถ้าถือศีลห้าก็ยังร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่ถ้าถือศีลแปแล้วก็จะไม่ให้ร่วมหลับนอนกันไม่ให้หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันให้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้ไปหาความสุขจากการมาเจริญสติจากการมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบคู้ที่ต้องการที่จะได้บุญได้ความสุขใจเพิ่มมากขึ้นจาก ระดับของทานระดับของศีล mm hmm. ก็ต้องไปภาวนาต้องไปถือศีลแปดไปหาที่สงบสงัดวิเวกเพราะว่าการภาวนานี้ต้องใช้เวลามากเกิดต้องใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยเพราะว่าได้ถึงจะได้ผลดีต้องทําตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งเพื่อ ก็จะได้ทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต้องมีสติคอยระงับความคิดปุ่งแต่งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา้วกระทั่งถึงเวลาหลับถ้าเรายังมีภารกิจการงานต่างๆต้องทำอยู่เราก็จะไม่สามารถที่จะไปจะเจริญสติไปนั่งสมาธิให้ได้ผลได้เราจะทำได้อย่างมากก็อาจจะนั่งสมาธิช่วงตอนเย็นหรือช่วงตอนเช้หชเชาหลังจากที่เรากลับมาจากทำงาน กอนจะนอนเราก็ไหว้พระสด น, นนั่งสมาธิก็เยอะนั่งได้ไม่นานนั่งได้ประมาณสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็อาจจะนั่งได้สิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะกําลังของสติเรามีไม่มากพอ <S <S แต่ถ้าเราอยากจะนั่งได้นา น, านให้จิตสงบจริงๆนี้เราจะต้องหาเวลาไปปฏิบัติแล้วต้องไปอยู่ที่ที่ห่างไกลจจว จากผู้คนห่างใจจากแสงสีเสียงต่างๆต่างๆห่างไกลจากงานการต่างๆ ต, ต, ต, ต้องเป็นต้องอยู่แบบไม่ได้ทำงานต้องไปทําในวันที่เราไม่ทํางานเช่นช่วงไหนมีวันหยุดหลายๆวันนี้เราก็ไปปีกวิเวกันไปหาสถานที่ที่สงบที่ให้เราได้อยู่คนเดียวเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะมาเจริญสติมาคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดแล้วก็ มีเวลามานั่งสมาธิถ้าได้ทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนียโอกาสที่จะทาใจให้รวมเป็นสมาธินี้จะมีมากจะมีมากกว่าการที่เราทำในชีวิตประจำวันของเราวันละครึ่งชั่วโมงครั้งละครึ่งชั่วโมงได้น้อยมากได้ผลก็เหมือนกับได้น้ำค้างได้เหมือนกับได้น้ำฝนที่ตกลงมาถ้าอยากจะได้แบบน้าฝนที่ตกลงมาแรงๆนี่เราต้องไป ต้องไปปีกเวกไปหาที่สงบสงัดอยู่ตามนาพังของเราแล้วก็มีเวลาเจริญสตินั่งสมาธิคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยออแล้วก็ต้องไม่ใช้เวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายออไม่กินอาหารมากเกินไปถ้าถือสินแปดก็ไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรื อ, อ, อ, อบางท่านก็อาจจะถือ ทุดงรับประทานเพียงมื้อเดียวก็ได้เพราะเห็นว่าการรับประทานนี้ก็เป็นเหมือนการเติมน้ํามันให้กับรถยนต์เวลาเติมน้ํามันเราก็เติมทีเดียวให้มันเต็มถังเลยก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องแบ่งเติมทีละครึ่งถังการรับประทานอาหารก็เหมือนกับเติมเติมอาหารเติมน้ํามันให้กับร่างกายเราก็สามารถเติมทีเดียวให้มันเต็มท้องไปเลยกินหนนเดียวกินให้เต็มที่ รับประกันได้ว่าถ้ากินอย่างเต็มที่แล้วร่า ง, งกายจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของการขาดอาหารแต่ะ จ, จะมีผลดีเพราะว่าไม่รับประทานมากเกินไปถ้าเรารับประทานสามือม้อสี่มื้อนี่มันเป็นการรับประทานมากเกินความต้องการของร่างกายแล้วก็จะไปสร้างปัญหาเวลาที่นั่งสมาธิเวลาที่ไปเจริญสติเระจะเกิดอาการง่วงเหงาหงนอนเกิดความเกลียดค้าน ก็ไม่อยากจะปฏิบัติอยากจะนอนซช่มากกว่าก็จะ mm hmm. ทำให้การปฏิบัตินี้เป็นไปได้ยากแต่ถ้าไม่ได้รับประธานอาหารมากเกินไปท้องเบาแล้วใจใจจะตื่นใจจะกระปี้กระเป๋า mm hmm. จะทำให้สามารถที่จะเจริอสตินั่งสมาธิได้อย่างสบายไม่มีความรู้สึกง่วงเหงาหานอนมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้น mm hmm. การถือศีลแปนี้เป็นการสนับสนุน การเจริญสติและการเจริญสมาธิแล้วก็การเอาเอาเวลาที่ไปใช้กับความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อที่จะได้เอามาให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิเราก็ต้องไม่หาความสุขจากการจากมหอละศพ บ, บันเทิงต่างๆไม่ร้องลํำทำเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานอะไรต่างๆ ไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกไม่ต้องเสริมสวยความงานของร่างกายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้เสียเวลาไปเปล่าๆแล้วก็ไม่ให้นอนมากเกินไปถ้าได้ถ้าได้ถือศีลแปดรับประทานเพียงหนเดียวนี่นเวลานอนมันจะมันมันจะไม่มันจะนอนนอนไม่นานเพราะมันไม่ มันมันไม่ต้องนอนนัมากเพราะร่างกายมันไม่มีอาหารที่จะต้องบากคอยอย่อ ย, อยอแล้วก็ถ้าจะนอนไม่ให้มากก็ต้องนอนแบบไม่ให้เตียงที่สบายอย่าเบาะอย่านอนบนฟูกหนาะๆนะอย่านอนบนเตียงที่สบายให้นอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกมีแต่พื้นแข็งๆปู ด, ด้วยปู ด, ด้วยผ้าปู ด, ด้วยเสื่อก็พอ ถ้านอนบนที่แข็งๆนีเวลาร่างกายได้พักผ่อนสี่ห้าชั่วโมงมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วพอตื่นขึ้นมาแล้วใจกจ็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายแต่ถ้าเรานอนบนเตียงที่สบายมีผูกหนาๆเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกใจก็อยากจะข อ, อนอนต่อก็จะทำให้เสียเสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไป ฉันต้องนอนแบบไม่สบายเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พออย่านอนเพื่อความสุขทางใจอั น, น, นี้ก็คือเรื่องของศีลแปดที่ผู้ที่ต้องการที่จ ะ, จะเจริญบุญขั้นภาวนาคือขั้นแรกของการภาวนาก็คือสมถะภาวนาเพื่อทําใจให้สงบทําใจให้นิ่งทําใจให้มีความสุขอันนี้ต้อง ต้องมีเวลากระทาต้องไม่เอาเวลาไปหาความสุขทางอื่นไม่หาไม่เอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายไม่เอาเวลามาหามาหาความสุสงบด้วยการเจริญสติด้วยการคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งต้องทำตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็เจริญสติการเจริญสติก็คือการมีอะไรล้ำลึกถึงอยู่เรื่อยเช่นมะีคา บริกรรมพุทธโธนับนึกถึงอยู่เรื่อย เ, เรียกว่าเจริญพุทธานุสติมีสติแล้วเ ล, ลิกรู้ถึงพระพุทธเจ้าเช่นเราเลิกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธโธพุทโธพอเราลืมตาขึ้นมาเราก็เริ่มบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจถ้าเรามีการบริกรรมพุทธโธอยู่เราก็จะไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เหมือนเหมือนตอนที่เราไม่มีพุทธโธได้ ถ้าเราไม่มีพุโทโธใจก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อยๆแต่พอเราเอามีคําบริกรรมพุโทโธเข้ามาแทนที่มันความคิดก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นมาได้ยากกว่าการที่ไม่มีพุโทโธ mm hmm. เราต้องการเป้าหมายของการปฏิบัติภาวนาเข้าสมาธิก็คือต้องการหยุดความคิดในการที่เราจะหยุดความคิดได้นี้เราจะต้องมีสติเป็นผู้คอยควบคุมคอยหยุดมัน สตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้เวลาวิ่งไปไหนมาไหนถ้าเราต้องการหยุดเราก็ต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกรถยนต์ก็จะหยุดไม่ได้อันใดถ้าเราต้องการให้ใจสงบเป็นสมาธิให้ให้นิ่งสงบเป็นสมาธิเราก็ต้องมีสติคอยคอ ย, คอยหยุดความคิดให้ได้และการจะหยุดความคิดการจะมีสตินี้ไม่ได้มาทาตอนที่เรานั่งสมาธิเท่านั้นเพราะถ้าเรามาเริ่มเริ่ม เดิมจเจริญสติตอนที่เรามานั่งนี้มันจะมีกําลังน้อยไม่สามารถที่จะทําให้ใจสงบได้ง่ายนั่งสมาธิไปแล้วใจก็ยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ได้นี่ก็เป็นสาเหตุเพราะว่าเราไม่ฝึกสติไม่จเจริญสติมาก่อนที่เราจะมานั่งดัง น, นั้นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆนี้เขาจะต้องจเจริญสติตั้งแต่เขาลืมตาขึ้นมาเลยตั้งแต่เตื่ยขึ้นมานี้เขาสามารถจเจริญสติได้เพราะไม่มีอะไรจะต้องคิดนั่นเอง เวลาไปปฏิบัติทำนี้เราไม่มีเรื่องราวอะไรจะต้องคิดดังั้นถ้าเรามันอยากคิดอะไรเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธคอยหยุดมันคอยเบรกเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรเราก็พุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุโทโธพุโทโธไปทําความสะอาดที่พักลักเสื้อผ้าหรือทํากิจที่จําเป็นต้องทําแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป พอเวลาว่างจากกิจที่เราต้องทําแล้วเราก็มานั่งสมาธิกันนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธต่อไปถ้าเราทําอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะสงบได้ง่ายได้เร็วและจะสงบได้นานจะนั่งนิ่งเฉยๆได้เป็นเวลาเปหลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงก็มีมแล้วจะมีเราจะได้พบกับความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อน<ม>ความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางโลกกระทำเป็นความสุขทางลาบยศสารเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสก็คือความสุขที่ได้จากการเจริญสติทําใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธิแล้วผู้ปฏิบัติก็จะมีความสุขที่ไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขชนิดอื่นมาต่อไปต่อไปก็อยากยิ่้ยา ทำแต่สมาธิอย่างเดียวเพราะเวลาทำสมาธิแล้วมันมีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่ไม่ยุ่ไม่วุ่นวายไม่ยุ่งยากเหมือนกับการหาความสุขทางโลกการจะหาความสุขทางโลกนี้มันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างต้องมีข้าวต้องมีเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของไปเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ต้องมีของที่อยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะดูอยากจะฟัง มันเป็นเรื่องนี้ยุ่งยากแต่เรื่องของการหาความสุขทางใจทางความสงบนี้มันง่ายเพียงแต่มีที่ไหนที่สงบแล้วก็มีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดนั่งเฉยๆนั่งหลับตาทําใจให้สงบได้เราก็ได้ความสุขได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสอีกแล้วมันก็เป็นความสุขที่เราสามารถทาได้อยู่เรื่อยๆ เป็นความสุขที่เราสามารถควบคุมได้รักษาได้ไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่เราควบคุมรักษาไม่ได้เวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมไปต่อหน้า ต, ต่อตาเราได้ uh huh. อันนี้แหละถ้าเราสามารถทำใจให้สงบได้แล้วหลังจากนั้นชีวิตเราจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือจากเคยเป็นคนที่ชอบไปหาความสุขทางโลกนี้จะกลายเป็นคนที่จะชอบมาหาความสุขทางธรรมแทน แทนที่จะเข้าสังคมก็อยากจะไปเปิกไปเวกอยากจะไปหาสถานที่สงบสงัดเพื่อทําจิตใจให้สงบ อ, อันนี้แหละเป็นวิธีหาความสุขที่เป็นความสุขที่สูงสุดแต่ยังไปความสุขที่ไม่ถาวรเท่านั้นเองความสุขที่ได้จากสมาธินี้เป็นความสุขชั่วคราวคือได้ในขณะที่ทําใจให้สงบนิ่งอยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาใจก็เริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ พอเริ่มคิดแล้วก็อาจจะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจที่เย็นก็เลยจะก็จะร้อนขึ้นมา ท, ทันทีความสุขความสงบที่ได้าจากสมาธิก็จะหายไปก็จําเป็นที่จะต้องทําปฏิบัติการภาวนาระดับที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาคือการใช้ปัญญามาทําใจให้สงบหลังจากออกสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจ อย่าไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่าไปอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ mm. เพราะเวลาเกิดความอยากแล้วมันจะทำให้ใจร้อนขึ้นมาใจไม่สงบใจทุกข์ขึ้นมาได้ mm. และให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้ mm. เช่นความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายความสุขทางโลกธรรมนี่แหละธรรมดาแล้วเวลาออกจากสมาธิมานี้ ความอยากที่จะหาความสุขจากโลกธรรมนี้มันยังไม่ตายด้วยกำลังของสมาธิคือกามะทันหาภาวะทันหาและวิภาวะทันหาที่มีอยู่ในใจมันไม่ตายมันเพียงแต่ไม่สามารถทำงานได้เวลาใจอยู่ในสมาธิท่านั้นเองแต่พอออกจากสมาธิมากามะทันหาความอยากเสพรวบเสียงกิเรสมันก็จะผล่ขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาห้ามห้ามความอยากนี้ด้วยการสอนว่าความอยากความ ความสุขที่ได้จากรูปเสียงกิจล้อนี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ <bundle. S 1> บางทีมันก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีได้มาแล้วก็เสียไปพอเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขถ้าเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันของไม่ไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้ มันก็จะทำให้เราไม่อยากที่จะไปหาความสุขจากมันอีกต่อไปต่อไปเราก็จะสามารถกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิเวลาอยู่ข้างนอกสมาธิเวลาเกิดความอยากก็ใช้สติปัญญามาสอนใจมาห้ามใจมาสอนด้วยตายรักให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่เราอยากพอเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่อยากได้อีกต่อไป ต่อไปความอยากต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็จะหายไปหมด <S <S พอหายไปหมดแล้วทีนี้ความสงบก็จะกลับคืนมาเต็มที่โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ <S <S ใจของเราที่ไม่สงบกันนี่ก็เพราะความอยากนี่ความอยากในอยากหาความสุขจากโลกธระททั้งสีน่นี้พอเรากําจัดความอยากเหล่านี้ได้ไปแล้วใจเราก็จะนิ่งสงบไปตลอด <S <S ไม่มีวันที่จะต้องมา วนวายอีกต่อไปไม่มีวันที่จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะว่าความอยากที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ถูกกําจัดด้วยวิปัสสนาภาวนาด้วยการสนับสนุนของสมถะภาวนาก่อนที่จะมาไปที่วิปัสสนาภาวนาได้ต้องมีสมถะภาวนาก่อนต้องมีสมาธิก่อนต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็จะเห็นคุณค่าของความสงบ เราเกิดความอยากขึ้นมาก็จะรู้ว่ารู้โทษของความอยากว่าเป็นตัวที่มาทำลายความสงบมาทําลายความสุขที่ได้จากความสงบก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการนี้มันเป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่จะทําให้ใจทุกข์เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่แน่นอนควบคุมบังคับไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้เสมอไป พอเห็นว่ามันเป็นตายรักษ์มันก็จะหยุดความอยากต่างๆได้พอไม่มีความอยากของเนื้ออยู่ในใจความทุกข์ใจความมุ่นวายใจความไม่สงบของใจก็จะหายไปหมดใจก็จะสงบตลอดเวลาไปไม่มีวันสิ้นสุดใจที่สงบตลอดเวลาด้วยการด้วยการระงับกําจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจนี้เราเรียกว่านิพพานนี่ความนิพพานนิานานนานนบ า, นน า, บาลังปราลมังสุขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง คือจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆความโลภความอยากต่างๆพอไม่มีความโลภความอยากก็ได้ถูกกําจัดด้วยการภาวนาแล้วใจก็จะสงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาเมื่อมีความสุขตลอดเวลาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปหาความสุขทางโลกกระทำอีกต่อไปการเวิยนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลง นี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและจาจของพระหลันตสาวกทั้งหลายที่ท่านได้ได้ทำด้วยการทําบุญชนิดต่างๆกันเริ่มตั้งแต่การฟังเทศฟังธรรมการทําบุญทำทานในรูปแบบต่างๆการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้ถ้าท่านนําหมาไปปฏิบัติท่านก็จะได้ผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเป็นไข่มันอยู่ที่อยู่ที่การปฏิบัติว่ามีการปฏิบัติหรือไม่ ถ้ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนผลก็คือการบรรลุถึงพระนิพานก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอน mm hmm. นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงนํามาสอนความสุขทางธรรมที่นํามาสอนให้ชาวพุทธเรามาศึกษามาปฏิบัติกันให้เราละความสุขทางโลกเพราะความสุขทางโลกเป็นความสุขที่จะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่มียะไม่มีวันสิ้นสุด แต่ความสุขทางธรรมนี้จะพาเราไปสู่ความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเราขออนุโมทนาให้พรยะธ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวะอิโตชินนางเปตานังอุ ป, ปกปติ เิต่างปฏิที่ต่างตุมหางคิดวมวัสมิจตุสัพเพโุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภาวัตวันตรารโยสุขิติคาโยโกภวะอาพิวาธนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนยะตาโรธรมมวาทานติอายุวโนโสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถา ม, ถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทางยูทู e ก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังธรรมมาจาก ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ412ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์262 YouTube ดร V 77 Clubhouse 5วิทยุออนไลน์11น้ากุด208รวมทั้งหมด975ท่านค่ะถ่ามีท่านอยากจะถามก็ถา ม, ไ, มได้เลยนะ ใการพระอาจารย์สุชาติค่ะจะปรึกษาท่านเรื่องปฏิบัติส่วนตัวก็คือพุทโธอยู่ตลอดนะคะตื่นเช้ามาก็พุทโธก่อนนอนก็พุทโธแล้วก็นั่งสมาธิแต่บางครั้งจะมีอาการรู้สึกวงงหรือแม้บางครั้งนอนแล้วก็ยังรู้สึกโงงจนต้องตื่นแต่เราก็พุทโธตลอดะคะเข้าใจว่านี่คืออาการของจิตแต่ไม่ทราบว่าทําไมมันถึงได้เกิดขึ้ น, นะค่ะ มันยังไม่สงบมันก็อาจจะเกิดอาการต่างๆได้ถ้ามันไม่เสียหายอะไรก็ก็ลองหยุดพุดโทโธสักพักดูก็ได้ว่าเนยังงบางทีเราจะเครียดกับการพุโทโธมากเกินไปแล้วก็ต้องทําแบบสบายๆอยากก่าไปเครียดกับมันคามเครียดความอยากมันก็จะทําให้เกิดอาการไม่ค่อยดีขึ้นมาได้งั้ก็ลองทําแบบสายกลางทําแบบสบายๆพุโทโธพุโทโธไป ไม่ต้องถึงกับอ้าวเป็นเอาตายกันเลยทีเดียวแต่ก็อย่าทิ้งมันท่านเลยพย<ฆ>ายามมีพุโทโธหล่อเลี้ยงจิตใจไว้เรื่อยๆค่ะคอย<ฆ>อสกัดความคิดต่างๆลงไปถ้ามันรู้สึกมีอาการอะไรแล้วลองเปลี่ยนมาดูลมดูท่านั่งก็ดูลมหรือถ้ามีการเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปแทนก็ได้<ฆ>พุโทโธอาจจะไม่ถูกกับเราก็ได้ลองดูต้องมีวิธีทดลองดูได้ค่ะ ถาราบูร่งางกายก็ดูเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกำลังอาบน้ำํำกาลังล้างหน้าแปลงความก็ให้อยู่กับการงานของร่างกายไปเอก็ทําอย่า ง, งานั้นดูเหมือนกันฮ ะ, ะได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างควบคู่ไปก็ได้แต่ถ้ามันมากเกินไปก็อาจจะลดลงสักเอาสักอย่างใดอย่างหนึ่งเราอาจจะไปเครงเครียดกับมันเกินไปใช่ไหมใช่ครับผมว่าขอบคุณพระอาจารย์้ คำามจากผู้รับฟังนะคุณเมื่อวานนี้นะคะ กระผมปฏิบัติตามแนวทางมหาสติปัฏฐานสูตรอายตนะหกต่างๆที่เข้ามากระทบสักแต่ว่ารู้พิจารณาแล้วก็วางลงทางโลกก็มีแต่ของร้อนกิเลสความอยากต่างๆที่เข้ามากระทบดำเนินชีวิตตามอริยสัจสี่อิธิบาทสี่พรหมวิหารสี่มีอารมณ์เป็นอุเบกขาตลอดเวลากระผมทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับและควรพัฒนาหรือยกระับจิต ยกระดับจิตใจสิ่งใดขึ้นไปอีกครับก็พยายามทำไปเรื่อยๆทำไปให้มันอยู่ในธรรมทำข้อใดก็ได้ที่เราทำได้ก็ทำไปอย่าเอาทั้งทั้งหมดไปทำทีเดียวพร้อมกันหมดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเบื้องต้นก็จเจริญสติเป็นหลักก่อนให้มีสติคอยกากับความคิดคอยหยุดความคิดถ้าเรามีเวลาที่ต้องพบปะใครก็ใช้แผ่เมตตาใช้ การเจริญเมตตาใช้พรไม่หาิตถ้าเราไปเจอเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้เราก็ใช้อุบเบกขาต้องรู้จัแกแยกยะใช้ตามเวลาตามสถานการณ์ไม่ได้ทําทีเดียวทั้งหมดถ้าไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ใช้สติพุโทโธคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆแล้วถ้ามีเวลาว่างก็ควรจะนั่งสมาธินั่งหลับตา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะที่บ้านขายกับข้าวแต่มีพระมาซื้อไปกินตอนเย็นเราขายให้บาปไหมครั บ, บแล้วเราผาาบาปผ้าไม่ทำผิดศีลยม์าธรรมา ก, กินตามปกติไม่ใช่เรื่องความบาปของโยมเราจะซื้อเราก็เราก็ต้องขายเราไปเลือกคนซื้อคนขายคนคนซื้อไม่ได้ขายก็มืมาซื้อก็อมีชะตางจ่ายแล้วเราก็ขายไปนันเอง แต่เรารายงานไปที่วัดได้ว่ามีพ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปถามท่านก็บท่านซื้อไปให้พ่อให้แม่กินหรือเปล่าพ่อแม่ไม่สบายก็ได้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าท่านซื้อไปกินเองหรือเปล่าเขาถามต่อไปว่าเราจะมีวิธีบอกกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงยังไงดีครับก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงอ่ะก็ถามว่าท่านอยู่ที่วัดไหนแล้วก็ไม่บอกเจ้าว่าที่วัดนั้นก็แล้วกันดีกว่า เพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามปลาลมไปว่ากล่าวสอนท่านได้ต้องให้เจ้าวาดของวัดที่ท่านอยู่นั่นะเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนคำถามจากทาง y o u t u b e ดร V ค่ะให้ธรรมทานเช่นพาเขามาฟังธรรมแต่เขาไม่รับไม่มาด้วยหรือมาด้วยแบบจำใจมาจะเกิดบุญกุศลกับเราไหมคะไม่เกิดหร้กเพราะว่าไปทำให้เขาไม่สบายใจก็ยังไม่อยากมา เขายังไม่พร้อมที่จะรับธรรมะก็อย่าเพิ่งไปบังคับเขาอย่างไปเที่ยวเข็นให้เขามีความสมัครใจก่อนเช่นเราชวนเขาแล้วเขายินดีมาด้วยก็ดีถ้าเขาไม่ยินดีมาก็แล้วไปยังไม่ถึงเวลาคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะทํายังไงสติถึงจะมีกำลังคะก็ดังทําบ่อยๆทําอย่างต่อเ น, นื่องทอยาหยุด ลืมตาขึ้นมาก็พุทโทพุทโทไปเรื่อยๆอาบน้ําอาบน้าอาบน้ำล้างหน้าแบ่งฟันก็พุทโทไปทําอะไรก็พุโทโธไปถ้ายังไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องพูดกับใครคุยกับใครก็พุทธโทรเราไปทําให้มันมากๆบ่อยๆแล้วมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปตามลําดับคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติก็สงบดีครับแต่การใช้ชีวิตครองเรือนคนรอบข้างไม่ปฏิบัติและปฏิบัติธรรมจะให้ก้าวหน้าต้องทำอย่างไรดีครับรู้สึกมันวุ่นวายมากครับก็ต้องไปบวชนะบวชแล้วก็จะได้ไม่มีใครตามเราไปไปบวชที่วัดมีการปฏิบัติวัดเดีนี้ก็มีสองรูปแบบวัดที่ไม่ปฏิบัติก็มีวัดที่ปฏิบัติ วัดที่ไม่ปฏิบัติก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นในงานศพี้งานอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นวัดที่เพื่อการปฏิบัติต้องไปวัดที่มีแต่การปฏิบัติเดินสังกรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นอันนี้ต้องไปวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขาส่วนใหญ่จะเป็นวัดปฏิบัติกันวัดบ้านก็จะมีพวกพิธีกรรมต่างๆบูญบางสังสเขาต้องรู้จักเลือกวัดเวลาที่เราจะไปบวช ยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีคำถามมีใครอยากจะถามอะไรไหมอ่ะยกคขขามาเลยเรามาถามตรงนี้เลยมีไมโครโฟนให้ถามทางด้านนี้ทางด้านนี้ยกับพระอาจารย์ครับพที่ผมขออนุ ญ, ญาตถามหิึ่งครับพอดีเมื่อคือสมัยก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเมื่อประมาณจากเกือบเกืบยี่สิบปีครับแต่ตอนนั้นก็คือพยายาม ดูตามลมหายใจแต่ว่ามันก็ดูสงบดีนะครับมันกับว่าสงบเวลานอนมันก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันบูบไ ป, เ, ปเลยนะครับ mm hmm. แต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาทีนี้เนี่ยผมก็เอไม่ค่อยมีเวลาปฏิบัติธรรมละก็มีช่วงเนี้ยนะครับผ่านมาสิบกว่าปีก็เอกลับมาลองลองดูบ้างพรอมมีเวลาบ้างแต่ว่าเป็นการดูตามจิตนะครับว่าเออมันเกิดปรุงแต่งยังไงเกิดเอมันมีกระบวนการยังไงนะครับแล้วก็มันเผอไปตอนไหนซึ่ง มันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็พอเข้าใจอยู่แต่แต่มันเหมือนมันมีสมาธิเหมือนเหมือนเมื่อประมาณสิกว่าปีที่ผ่านมาที่เคยเปิบัตรเมื่อสิกว่าปีที่ผ่านมานะครับเลยไม่แน่ใจว่าท่าอย่างเงี้ยเราเอ่อต้องต้องดูตามดูตามจิตอย่างเดียวหรือเราต้องต้องทำร่วมกันเราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องทำร่วมต้องทําสลับกันไม่ได้ทําพร้อมกันเวลาทําสมาธิเราต้องการหยุดจิตไม่ครับเวลาเรา การเจริญปัญญาเราก็ดูจิต ด, ดูธรรมชาติของจิตว่าเป็นอย่างไรัรบเที่ยงม ไ, ไม่เที่ยงควบคุมบังคับมันได้หรือเปล่าถ้าไปอยากให้มันเป็นแล้วมันไม่เป็นไปทางความอยากมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาดูแบบนี้ถึงนี้แล้ดูเพื่อเกิดปัญญาดูเพื่อปล่อยวางครับแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ดูไม่ได้ทีนี้ผมผมสงสัยมากเลยว่าคือช่วง เมือม่อก่อนเมื่อสิกวปีที่ผ่านมาเวลาผมนั่งดูตามลมหายใจมันเหมือนตามได้แต่พอตอนนี้พ อ, พอกลับมาพอมาดูจิตแล้วพอจะย้อนกลับมาดูลมหายใจกลับทำไม่ได้ก็ต้องมาเจริญสตินครับดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปดูจิตดูผูกผูกใจไว้กับร่างกายร่ <c oughs> างกายทำอะไรก็เฝ้าดูการกระทำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดต้อมพร้อมกันครับ <c oughs> หรือจะใช้คํำบริกคำพุทโธพุทโธไปก็ได้ครับพอมีสติแล้วเวลามานั่งดูลมมันก็จะสงบได้ไดถ้าไม่มีสตินั่งแล้วมันก็จะคิดพุ้งต้านไปไเรื่อยๆเราต้องหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งต้างมีสติคอยกํากับคอยควบคุมความคิดไว้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนพุทโธก็ได้หรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวาการกระทําต่างๆของร่างกายก็ได้ไแล้วก็มานั่งนี่ก็จะนั่งแล้วทำได ดูลมก็ได้พุโทโธก็ได้แล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบได้ถ้ามีสติกอยกำกับใจให้อยู่กับลมอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวเพราเราทิ้งไปนานแล้วสติก็หมดแล้วต้องมาสร้างสติใหม่ขึ้นมานะครั บ, อรบขอบคุณมากครับอาจารย์คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะเวลาสวดมนต์เราสวดตามบทสวดออนไลน์อะ เวลาสวดมนต์ตามบทสวดออนไลน์ได้ไหมคะได้สวดเองก็ได้ถ้าเราท่องได้จําได้ก็ไม่ต้องไปออนไลน์ทำไมก่อนไม่มีออนไลน์ก็ทํายังไงกันเราก็ต้องหัดท่องจํากันเลยท้องจําแล้วเราก็สามารถสวดของเราได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องเรื่องการไปออนไลน์แล้วเกิดเน็ตไม่มีอะไรขึ้นมาก็สวดไม่ได้ยันถ้าอยากจะสวดมนต์ก็ต้องหัดท่องท่องบทสวดมนต์ให้จําได้ แล้วเราจะสามารถใช้บทสวดมนต์นี้เป็นการเจริญสติเป็นการทำใจให้สงบได้ในระดับหนึง่งคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะการพระเครื่องไว้ในมือขณะสวดมนต์และภาวนาจะช่วยให้เกิดผลอะไรหรือไม่ครับไม่มีประโยชน์อะไรหรอกสิ่งที่จะทำให้ได้ผลก็คือสติเราต้องพยายามอยู่กับบทสวดมนต์อย่าปล่อยให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ้าลอยไปก็ดึงกลับมาต้องคอยดึงกลับมาอยู่เรื่อยๆาเครื่องนี้ก็เป็นแค่วัตถุเป็นธาตุดินมันไม่มีคุณมันไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองมันเป็นเพียงแต่มนุษย์เราสมมติกันขึ้นมาว่าเป็นพระพุทธรูกเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ช่วงเทศกาลผมพาครอบครัวไปเที่ยวกราบไหว้พระสายกรรมฐานต่างๆไปหลายวัดเห็นประโยชน์ว่าอย่างไรครับเห็นอะไรนะเห็นว่ามีประโยชน์อย่างไรครับอถ้าคุณไปแล้วคุณไม่รู้เราจะไปก็จะได้มองเห็นพระที่อาจจะเป็นพระที่เราไม่เห็นตามปกติพระที่เราเห็นตามบ้านตามเมืองฉันก็ อยู่แบบหนึ่งแล้วไปเห็นพระที่อยู่ตามป่าตามเขาท่านก็อยู่อีกแบบหนึ่งจะได้ประโยชน์ก็ต้องเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมจากกันจากท่านหรือมีคาถามก็ไปสนทนาธรรมกับท่านอย่างนั้นจะได้ประโยชน์ถ้าไปมองเฉยๆก็อาจจะไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรกันก็อาจจะได้เห็นสถานที่ที่สงบสงบัดเว้ยถ้าไปวัดที่เป็นวัดปฏิบัติ คำถามจากทาง y o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะนั่งสมาธิพอสงบแล้วอยู่ๆก็เกิดความกลัวกลัวมากจนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ภาวนาต่อไปสลถ้าเราพุโทโธได้ก็พุโทโธต่อไปอความกลัวก็เป็นความนึกคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งเราก็ใช้สติระงับมันใช้พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความกลัวนั้นก็หายไป